ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องทำตนเป็นคนศูนย์โดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่1มิถุนายน2546ณพุทธสถ า, านสันติอโศกขอชันท่านรับฟังได้นับัดนี้ ที่1จะเอาพระ ส, สูตรมาพระ ส, สูตรหนึ่งนะนะพระ ส, สูตรนี้ชื่อว่าเมคียสูตรซึ่งมีพูดถึงถึงการแก้นะพระุทธเจ้าท่านมีตัดเอาไว้ถึงการแก้อย่างเช่นอย่างเช่นท่านตัดถึงว่าจเจริญอสุภะนะเพื่อละ ราคเรื่องของการของคำว่าจเจริญเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินบ่อยๆว่าอาจจเจริญสาพวกชงจเจริญอิทธิบาทจเจริญอะไรอ่ะมรกเมืองแเนี่ยเราจะได้ยินอย่างเงี้บยบ่อยๆันคำว่าจเจริญหมายความว่าทำให้บ่อยๆทำให้มากๆทำให้พัฒนาขึ้น น, นี่คือคำ ว, ว่าจเจริญแม้แต่จเจริญธรรมอย่างบางทีพวกเราเอามาใช้เวลาพบปะเจอะเจอกันแล้วก็บอกว่าจเจริญธรรมการจเจริญธรรมเนี่ยหมายถึงว่าทํทาธรรมะให้บ่อยๆทําทเรื่อยๆทําแล้วก็ให้เกิดการพัฒนาเกิดความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างนี้คือความหมายของคําว่าจเจริญการเจริญธรรมก็คือเนี่ย ปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นนะนี่ก็คือคำว่าจเจริญเพราะท่านในที่นี้เนี่ยก็ใช้คำว่ า, าพ่ะพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจเจริญอสุภะเพื่อละราคะอสุภะนี่ก็หมายถึงอะไรอสุภะ อ, อสุภะไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าศพเพียงอย่างเดียวนะบางคนเขาใช้ไงีคำว่าอาสุปเนี่ยนะซากอาสุป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 นะอสุพะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่อะไรอะได้เห็นเขาเอาสัตว์มาหรือว่าเอาคนมามากรีดเอาบางทีกรีดโอ้โหกรีดท้องนะเอาตับไตไส้พุงออกมาเอามาล้างเอามาอะไรบางทีเขาก็ทิ้งไปเลยนะบางบางทีก็ไม่ได้เอามากินอีกเพราะนั้นอันนั้นนะ่ก็เป็นอสุภะด้วยแต่อสุพะ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 น่ะมันไม่สวยไม่งามสําหรับเรานั่นแหละจริงๆริง อ, อย่างนั้นอ่ะก็ต้องถือว่าอาสุภาษสาหรับเราเดี๋ยวต้องเข้าใจให้ได้นะประเด็นเนี้ยแต่ว่าหลายคนบางทียังไม่ค่อยเข้าใจถ้าอาหารการกินหละจะเรียกว่ายัางไงถึงเรียกว่าอาสุภาษอืมอาหารยังไงไม่ใช่อาหารที่โอ้โหผัดมาดำดำปี๊ปีไม่ไม่ไมเกียมเกียมแล้วก็เลยบอกโอ้โยี่ก็อสุภาษไอ้นั่นอ่ะใ ช, ใช่ใช่อย่างหนึง่งละ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 ราคะคืออะไรความชอบอความกำหนัดนะใจกำหนัดในกามหรือความความยินดีพอใจต่างๆนี่นี่ก็คือราคานะเนีเพียงแต่ว่ามันมีแก่กลางอ่อนเท่านั้นเองว่าราคะแบบไหนเพราะนั้นราคาเนี่คือความกำหนัดความยินดีความพอใจร้อพอเราพูดถึงเรื่องอาหารการกิน อะไรที่เราชอบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสุภะคือเรายินดีเรานิยมชมชื่นเราชอบอย่างนี้ยเขาเรียกว่าสุภดูแลเป็นของสวยงามสำหรับเราแต่ของไหนเราไม่ชอบอาหารอย่างนี้เราไม่ชอบกินเราเกลียดอย่างเงี้ยอาหารนี้เป็นอสุภะษสำหรับเราเพราะฉะนั้นตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจ ะ, จะเจริญอสุภะเพื่อ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 อ่าใช่ไหมล่ะกี้นี้พูดขึ้นมาอ่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขาเกิดขี้โลภอย่างนี้เราเห็นแล้วเป็นอสุภะได้ใช่ไหมอ่เอาเาไหนใครยกตัวอย่างอีกสิเขาพูดเพราะแล้วเป็นไงอ่ะอ่าถ้าเราไม่ชอบใช่ไหมเอาอย่างนี้ก็ชัดก็คล้ายกันกันกบที่นั่นบอกว่าไม่ชอบคนขี้โลภอ่าอันนี้อันนี้ก็ยังเป็นอยู่ในข่ายของนิสัยอีกอยู่ดีอ่ะใช่ไหม ชอบให้เขาด่าไงเอา <c oughs> ชอบพูดธรรมดาอ่าเอาถ้าสมมุติอย่างนี้เขามาพูดหวานจังเลยเอาง่ายๆ่ายเขามาพูดหวานจังเลยเขามาพูดเพราะเพราะพราะอะไรเพราะแบบไพ่เพราะเกินไปเวอนะหวานเกินเราไม่ชอบอะอย่างนี้เรามองเห็นแล้วเออเป็นอสุภาษได้ทําให้เราแทนที่จะยินดีพอใจใช่ไหมราคานี้คือยินดียินดีพอใจเนี่ยก็ทําให้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 เป็นไงอะแม้เขาไม่อาบน้ำเลยหรือไงหรือเขาไงแต่งแต่งตัวแต่งตัวไปคุกกีโคนที่ดินมาหรือยังไงฮะแล้วใครเขาจะเป็นอย่างนั้นก็น่านาสิคือที่พูดมานลยนะอาตมาว่าไอถ้าพูดมาที่พูดมาตอนนี้คือ คือออย่างนี้เราไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมถ้าพูดอย่างที่ยกตัวอย่างกันมาเนี่ยเราไม่ชอบอยู่แล้วอย่างนี้คุณจะไป ม, มีราคากับคนนั้นได้ยังไงถูกหรือเปล่าว่าไอ้คนที่เราชอบอ่ะอย่างเช่นโอ้โหออาถือว่าชอบเขาพูดพูดจาสุภาพจังเลยโอ้โหหน้าตาก็ดี อ, อ, อะไรอีกแต่งตัวก็เข้าท่ า, อ, าอย่างนี้สิถึงคุณถึงจะไปมีม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 เราจะล้างจิตยินดีพอใจลงมาเนี่ยนในเรื่องของราคะโดยพูะเจ้าท่านบอกว่าใช้อสุภะในการล้างจิตอย่างเช่นเอาคานนี้นะเราชอบโอโ้โหเนี่ยผิวเขาก็สวยหน้าตาก็ดีเรียกว่าเหมือนนางงามจักรวาลเลยหรือโอโ้โหเหมือนพระเอกหนังเลย แล้วเราก็นิยมชมชื่นอย่างเนี้อา้าวแล้วคุณจะล้างยังไงคุณจะเอาอสุภะอะไรยังไงเนี่ยมาล้างจิตที่มันมีความยินดีอย่างนี้ก็นั่นนาทีมองอยังไองอ่ะเอาอันนั้นอันนั้นก็ถูกละเอามองนิสัยไม่ดีเอาสมมุติว่าเอาคนที่หน้าตาดีแต่นิสัยไม่ดีอ่าเอ า, เอาคุณก็พอทอนลงไปได้ใช่ไหมอา่าแต่ก็ไม่แน่นะ บางคนก็นิสัยไม่ดีแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกหน้าตานี่เอาไว้ก่อนอ้าวหรือบางบางทีเขารวยอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีบางทีเขารวยอย่างเงี้ยถึงไม่หล่อจริงจริงเราเราไม่ชอบนะคนหน้าตาไม่หล่อหรือว่าไม่สวยเราไม่ชอบโอ้แต่เขารวยอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอ้ความรวยของเขานี่เราเราเรายกให้มากกว่าไอ้ไม่สวยไม่หล่อไม่เป็นไรเอาก็ได้เน่ยสิอัตมากําลังจะพยายามให้พวกคุณเนี่ย พิจารณาให้ได้ให้ได้จริงๆคือไม่ใช่ฟังธรรมะแล้วก็ฟังเป็นวิชาการฟังแล้วเป็นความรู้แต่พอเวลาไปถึงจริงๆเข้าโอ้โ oh ห oh, คนนั้นก็ดีนะคนนี้ก็ดีนะแล้วก็ปรุงพุ่งไปเรื่อยเลยเป็นราคาโดยที่เรียกว่าควบคุมหรือว่าแก้จิตแก้ใจตัวเองไม่ได้แต่คราวนี้ต้องได้จริงๆ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 อย่างเช่นอย่างแค่หน้าตาเนี่ยเอาเอาเอาง่ายๆก่อนอาตมาพยายามเอาพื้นพื้นก่อนนะนี่ใสน ะ, ะ to อาตมายังไม่พูดถึงเลยด้วยซ้ำไปเอาแค่หน้าตาต่อหน้าตาเนี่ยว่าคุณชอบหน้าตาแบบเนี้ยคุณชอบรูปร่างแบบเนี้ยแล้วคุณจะพิจารณายัางไงอันนี้พู้เจ้ามีสอนมาอยู่เหมือนกันพิจารณายงไงหน้าตาต่อหน้าตาเนื้อตัวต่อเนื้อตัวผิวหนังต่อผิวหนังพิจารณาอย่างไาตาตาาาง ตาสวยโอ้โหดังตาโคอ่าเขาบอกไม่รู้นะอันนี้สำนวนเขบคุยกันแต่แต่ตามายังนึกอยู่ ใ, ใจเคยไปดูเหมือนกันนะะตาบัวนะตาโคก็คือตาบัวไปดูอยู่แล้วก็ น, นึกมันสวยตรงไหนว ะ, ะแต่เขาชมอย่างนั้นนะก็โอ้โหตางามเหมือนกับตาโคเลยนะแหมหรือว่าอะไรนะเหมือนกับเนื้อทรายเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาก็ชมจังเลย อย่างนี้เราก็พิจารณาโดยจะอะไรบอกแล้วพิจารณาจากลูกตาเอา้าเอา้าพูดถึงลูกตาก็เลยพิจารณาจากลูกตาเป็นไงเออก็มีขี้ตาบ้างแล้วบางทีตาก็บางคนก็เป็นไงบางคนเพิ่งไปผ่าตัดตามาเนี่ยเออก็เป็นต่อก็ได้เป็นอะไรอีกอะโรคตัางหลายอย่างรีสิดวงตาก็ได้อะไรทั้งหลายอย่างที่เราจะพิจารณาหรือบางทีก็ตาก็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 ถึงบอกว่าชอบใจที่ตาจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังจะมาล้างที่จิตเราไม่ใช่เป็นล้างที่ตาเขานะว่าเราพิจารณาเสตตาเขามีขี้ตาวันก็ล้างตาซะก็จะไม่มีขี้ตาเราไม่ใช่อย่างนั้นเดีพิจารณาที่จิตเราว่าทำไมเราไปติดอยู่แค่ไอ้ไอ้ดวงตาแค่นี้มาแมตาหวานอย่างเลยโอ้โหตาอย่างนี้ฉันชอบใช่ไหม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 ใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ที่จิตใจบอกแล้วมันอยู่ที่จิตใจเขาด้วยแต่ที่สําคัญเนี่ยอยู่ที่จิตใจเราด้วยแล้วก็เนื้อตัวเป็นยังไงบอกว่าผิวพันผิวหนังงดงามเงี้ยพิ จ, พจารณาอย่างไงอมันก็มีขี้เหงือ่อมีขี้ใครโอ้โหต้องคอยทําความสะอาดเพวันผู้หญิงเนี่ยต่อให้เป็นนางงามจัดการหรือว่าจะเป็นชายงามก็ตามแต่เป็นยังไง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 นะขี้กาขี้เกลื่นก็ขึ้นได้พอเราพิจารณาอย่างเงี้ยเราถึงจะเห็นว่าไ อ, อ้เราจะไปติดได้ยังไงอะไปหลงได้ยังไงในเมื่อผิวพันธุ์เนี่ยมันก็อีกหน่อยอายุมากขึ้นก็อาจจะตกกระหรืออาจจะเหี่ยวชราไปเงี้ยคือมันพิจารณาไปอย่างเยี่ยมก็ทําให้กิจก็เริ่มคายลงมันจะไม่ไปหลงอยู่แต่ในสภาวะเนื้อหนังมังสาเท่านั้นนะหรืออย่างอื่นๆอันเนี้ยคือพิจารณาที่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 ตอให้มาถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยไอ้ตอนถือศีลปฏิบัติธรรมบางทีอเก่งคัดดีอะไรดีนะแต่คุณไม่ได้ล้างจิตนะหรือว่าคุณไม่ได้ล้างกรรมคุณไม่ได้ล้างหลักคาจริงนะมันยังหมกมันยังฝังอยู่ในจิตคุณเลยเศรษฐาคุณปฏิบัติไปปฏิบัติไปคุณใหม่ๆคุณมีความปิติมีความยินดีโอหูนะแปลกที่แปลกหน้าแหมทําไปแล้วโอ้โหรู้สึกพอใจเหลือเกินนะแหมถือศีลได้ดีถือศีลไดผงง้ผ่านอย่างนั้นผ่านอย่างนี้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 ต้องมีปัญญาด้วยวันศีลจะต้องคู่กับปัญญาดังนั้นการปฏิบัติกับปัญญาปัญญาอะไรปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญาแค่รู้เรื่องศีลแต่ปัญญานี่คือรู้เรื่องกิเลสของเราแล้วก็สามารถชําแรกนะหรือชําแหลกกิเลสของเราที่มีอยู่เนี่ยทิ้งออกไปได้นี่คือศาสนาพุทธแลไม่ใช่มาเก็บกฎ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 ดูแค่เรื่องผู้ชายผู้หญิงแค่นี้เองก็ยังศึกออกไปแต่งงานแต่งการมีครอบครัวเพราะอะไรเพราะยังหมักหมมเอาไว้ไงไม่ได้ถอนออกจริงไม่ได้ล้างออกจริงเพราะั้น ท, ทั้งที่คุณดูนะบวชมาเป็นพระเนี่ยก็ต้องอยู่ในสีอยู่ในวินัยตั้ง10ปี20ปีอบปถ้าในขณะที่ปฏิบัติมาจริง10ปี20ปีถ้าล้างกิเลสล้างราคะเนี่ยออกไปจริงจากใจมันลดลงไปจริงมันลดลงไปจริงมันหมดไปจริง มีเหลือจะสึกออกไปมันไม่มีเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ที่สิปี20ปีปฏิบัติมาเนี่ยมันมีอย่างงดมันมีอย่างยี่มากรบมันกรบเกลื่อนมาทําให้เราก็เลยแบบว่าเออผ่านไปได้ผ่านไปได้ไไดแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาได้นี่มันไม่ได้ล้างกิเลสออกเพราะพอมันถึงเวลาที่เรียกว่าคราวเนี้ยไปเจอที่ตรงสเปคใช่ไหมที่ที่ ท, ทีหมักหมมเอาไว้เนี่ยโอ้โหสเปคอย่างนี้ใช่เลย นะใช่เลยไม่มีอย่างอื่นโอ้ก็คนนี้แหละเพราะฉั้นพอเจออย่างนี้เข้าเอาเราสไอที่คุณหมักหมมไว้ก็เอาปะทุเอาสิก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วคราวเนี้ยถ้าคุณฝึกมาไม่ดีพอหรือคุณไม่แข็งพอใช่ไหมพอมันขึ้นมาเนี่ยคุณสู้มันไม่ไหวคุณก็แพ้แต่ถ้าคุณฝึกมาดีพอแม่คุณก็สู้กับมันได้อย่างนี้คุณก็สามารถที่จะเนี่ยล้างราคะนั้นทิ้งไปได้ ว่าเนี่ยที่พยายามถามอันเนี้ยมันมันไม่ง่ายในยอย่างพวกเราอะคารวะนี่ก็ก็เหอะมาอยู่วัดที่ก็ตั้งใจว่าจะขึ้นมาจนเป็นนักบวชซื่อซ้ำไปนะบางคนก็แหม่อยู่วัดมาได้ตั้งนานเป็นสิปี20ปีเหมือนกันบางคนนะ่ยก็พยายามเนี่ยแหละฟังเทศฟังธรรมก็เยอะนะฝึกฝนปฏิบัติก็พยายามฟังเทศเนี่ยทั้งพ่อท่านทั้งสมณะก็ทั้งสิขมาบุตรก็ผู้ให้ฟังตั้งเยอะตั้งแยะ โอ้โหแต่เห็นไหมบางทีลอดจากคนนั้นลอดจากคนนี้เสร็จมาตายที่คน <c oughs> คนนี้จนได้อ ะ, อะบางทีอ่ะเพราะนั้นอ่ะบางคนเนี่ยบอกแล้วถ้ามันไม่ไม่ได้มีวิบากกรรมร่วมกันมันไม่ใช่สเปคที่ ท, ที่เป็นวิบากร่วมกันอยู่เนี่นะบางทีเราเองเราพอมีพลังกาลังเนี่ยเราก็เออเอาเ อ, า อ, าอสุภะโนนอสุภานี่ พยายามมาแก้มาล้างไปมันบางทีมันพอไปได้แตพ่พอคุณเจอคู่เวรคู่กรรมเนี่ยะ <c oughs> คุณเจอคู่เวรคู่กรรมที่เรียกว่าโอ้โหมีฤทธิ์ที่ดึงดูดใจเราแรงมากเนี่ยพอมาเจอปั๊บนี่โอ้โหวันนั้นข่าวนี้ยคุณฝึกมาไม่ดีพอพอเจอมันก็โอ้โหไฟช็อตสิมันก็แรงนะข่าวนี้เพราะพอเจอเข้าเนี่ย คุณเปิดตำราไม่ทันเลยนะเขาเนี่ยที่ใครบอกอะนะแมท่องเงินจนท่องเันนีีมาตั้งเยั้งแยะโขาเอ้ยทําไมจะไม่เคยท่องนะสวดมนต์ก็สวย ก, กันอยู่เกือบทุกวัน <c oughs> พอเจอปับ๊บดีบางทีอะโอ้โหตารงตํารามันไปไหนหมดเลยอะจริงๆริงมันพลิกตำลาไม่ทันก็มีมาแล้วอ่ะใช่ไหมตัวอย่างมีมาแล้วที่โอ้โหบางทีเทศเก่งสอนเก่งด้วย ใช่ไหมเรายังนึกๆโอ้โหแม่น่าจะน่าจะบรบบรุบรรุไปแล้วนะโอ้โหที่ไหนได้ยังปรากฏว่ายังต้องย้อนกลับทางเกวียนสายเก่ายังต้องย้อนกลับไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าถ้าจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องมากนะถ้าจริงนะแค่ศีลห้าเนี่ยถ้าคุณได้จริงศีลห้าถ้าคุณได้จริงเนี่ยนะอ่า คุณก็ไม่ไม่ตกลงไปจากศีลห้าแล้วถ้าคุณได้จริงแค่โซฐานโสดาบันเนี่ยคุณได้จริงคุณไม่ถอยลงแล้วอันนี้พู้เจ้าก็ยืนยันเลยเพราะนั้นถ้าพวกเราชัดอันนี้ยิ่งอย่าว่าแต่ศี่ห้าเลยถ้าคุณขึ้นมาสีลแปดจริงอย่างนี้โอ้คุณยิ่งไม่ถอยเลยแต่บอกแล้วนะไม่ใช่เออเลื่อนขึ้นมาตามวันเวลาแกวันแกเดือนแกปีขึ้นมาเหมือนกับอะไระเด็กนักเรียนเนี่ย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 รูปแบบพระโทก็โกนหัวนุ่งห่มจีวร อ, อันนี้เราก็เรียกว่าโดยสมมุติไม่ใช่โดยปรมามัิเพราะนั้นแม่ภิกษุเนี่ยแม่แต่ในสมัยพุทธกาลภิกษุที่เป็นปุถุชนก็มีนี่นี่สมัยพุทธกาลคื อ, อที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาสมัยที่พูะเจ้าท่านมีพระชนอยู่นะคิดดูเอาสิภิกษุที่เป็นปุถุชนก็มีภิกษุที่เป็นโสดาบันก็มี แล้วก็ไล่ขึ้นไปจนถึงพระละหันก็มีเพราะฉะนั้นมีหมดแหละไม่ได้หมายความว่าแม้พอมังกนหัวหนุ่งหมจีวรแล้วก็อะไรอ่ะได้เป็นอริยบุคคลขึ้นไปหมดไม่ใช่หรอกบางทียังเป็นปุจชนอยู่เลยเป็นปุจฌนจริงจริงนะอ่าไม่อย่างงั้นจะไม่มีอาบัติบาลชิกจะไม่มีอะไรต่ออะไรเลยคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปรือก ไม่ใช่แค่สมมุติมันจะต้องให้ได้มากผลได้จริงๆโดยปรมัติมีผลที่เกิดกับกายวาจาใจของตัวเองเนี่ยได้นะอันนี้เอาย้อนกลับมาที่อสุภะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอสุภะเนี่ยจะไปล้างราคะได้แล้วกี้นี้อาจจะมาพูดโดยตรงๆว่าเนี่ยถ้า เ, าเนื้อหนังบังษารูปร่างหน้าตา เราไปติดเราไปรักเราไปหลงเราไปชอบเพราะอะไรจริงๆทุกเรื่องหนะ้าที่คุณไปติดที่คุณไปชอบที่คุณไปหลงจะชอบเพราะหน้าตาจะชอบเพราะเสียงจะชอบเพราะอา่บอกแล้วรถที่ยมการแต่งกายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งนั้นนะ่ะมันมีอสุภะได้ทั้งสิ้นแต่คุณเคยไปพิจารณาไหมคือขอให้พิจารณาให้ตรงประเด็นก่อนนะในในสุภะนั้นนะ่ะ ที่ที่ที่เราเราไปหลงยินดีเขานะ่ในเรื่องนั้นนะั้นมันมีมุมตรงข้ามอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตรงประเด็นอย่างนี้ได้จิตคุณจะลดราคะลงไปได้ขนาดหนึ่งแล้ว